การออกเสียงสวดมนต์ให้เราว่าสระเสียงสัน้นเราว่าเสียงสันส้นสั้นอิ อ, อุเราว่าสัน้นสันเสียงยาวๆเราว่าเสียงยาวเขาเรียกว่าทีคะรัศษถ้ารัสษะสระเสียงสัน้นเราไปออกเท่ากับเสียงยาวมันจะติกันเลยเราเข้าใจตรงนี้เราสวดถูกกันหมด เสราเสียงสั้นเลว่าสั้นอ I U I D P so เพื่อนเก๋วานี่บางคนใช้พยางแต่ละพยางให้ยาวเท่ากันมันผิดหลักสระเสียงยาวเขาต้องว่ายาวหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างังองมันยาวไม่ได้อ I มันยาวไม่ได้อีเนี่ยมันเป็นสระอีไปแล้วมันเพี้ยนถ้าจับหลักได้แค่นี้เราสวดถูกกันหมดอ่าสําหรับคนที่สวดได้หลักกับคนที่ไม่สวดไม่ถูกหลักมันมือกันลากรถไฟยาวๆหลักมันหลากไม่ไหวล้วจับแค่นี้อาเออูเอโอสระเสียงยาวสระอาสระอีสระอูสระเอสระโอ เ ส, ส, สียงหนักสระสังโย่สัยงย่หมายความว่ามันมีตัวสะกดนะบุดบุดทางสรนองสระอังก็เสียงสัน้นเสระเอก็เสียงสัน้นอีอูอัองเอเอไม่ใช่เสอเอเคยน ะ, สะเสอไม่ใช่ไม่มีภาษาบาลีไม่มีสเสอมันเป็นสะเอและยอยกักษสะกดอะโฮเนโยเสียงสัน้น อาหุนิโยปาหุนิโยดักขินิโยเราเข้าใจสระเสียงสั้นเสียงยาวแค่นี้เราสวดถูกกันหมดแต่แล้วเราดูหนังสือนี่เราเห็นเนี่ย อ, อิอูเนี่ยเราเห็นเนี่ยอะต้องรีบรีบรีบกระโดดอสระเสียงสั้นต้องรีบกระโดดสระเสียงยาวก็มันยาวเท่าไหร่ก็ได้ธรรมชาติมันบังคับอยู่แล้ว มันบังคับอยู่แล้วแต่เราก็ยาวพอดีพอดีสั้นพอดีพอดีให้มันให้มันเข้ากับหลักสระเสียงสั้นเสียงยาวถ้าว่ายาวเท่ากับสั้นสั้นว่าเท่าว่าเท่ากับยาวเนี่ยยกเว้นแต่เป็นสำนักสวดเป็นประจําอย่างนี้จะสวดจะถูกกันแต่ถ้าต่าแซวนักไปสวดแล้วจะผิดกันละมันลากกัน <laughs> มันทําให้อักษรวิบัติเ ข, า, ขาเรียกว่า การสวดวิบัติถ้าเป็นการสวดสังฆกรรมเขาเรียกว่ากรรมวายจาวิบัติสวดปฏิโมกข์เงี้ยสวดกรถินเงี้ยก็เรียกกรรมวาจาวิบัติสวดบวชนาคเงี้ยสวดเสียงสั้นว่าเสียงยาวเสียงยาวว่าเสียงสั้นเนี่ยอักขราวิบัติ